เพราะว่าจิตของเราเป็นเป็นนายอย่างอาตมาก็สังเกตนะในช่วงที่มาที่นี่จิตหุมแพความเย็นจัดทางโน้นมามากระทบร้อนก็ลไอแต่ว่าอะไรก็ตามที่มาจะถึงยาถึงหมอนี่ต้องรักษาตัวเองให้เต็มที่ก่อนจะรักษาตัวเองให้เต็มที่ไม่ดีขึ้น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 ต่อมาก็ดูว่าโปรแกรมอาหารเป็นยังไงเราฉันสลัดติดกันลหลายมือเป็นผักที่เย็นเป็นส่วนใหญ่ผักที่เย็นทําให้ปอดลอยชื้นถ้าก็ทานตันต่อเนื่องกันหลายวันผักผลไม้ที่ริดเย็นให้ปอดลอยชื้นแล้วก็จะไอได้ง่ายก็ต้องลดสลัดลงฉันในหลายร้อ น, อนพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดทพวกแป้งพวกอ ะ, อะไรต่างให้เกิดความร้อนขึ้นมาก็ขับ ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะแล้วก็มาดูเราฉันเยนางตอ่อเนึ่องก็หลายวันเยนนางทำให้เยน็ยนผักที่เย็นทำห้ปลอดชื้นเราก็กดเยนนางไปนะคือคือต้องรู้ถึงวิธีการจัดการตัวเองให้ได้ก่อนว่าอไหนควรจะเพิ่มร้อนอะไรควรจะเพิ่มเยน็นถ้าเราเพิ่มจัดการมันถูกอาการเราก็หายไปใส่สังเกตมาว่อานามาไม่ค่อยไอยเลยใช่ไหมแต่วันนี้ก็คงหาย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 เพิ่มขึ้นแล้วประสบ ก, การณ์อันนี้เราก็จะไปแชร์ไปแบ่งปันคนอื่นได้ เ, ไเอาไปมาคนที่ไม่ไม่สบายมหาหัดมามาแกะตรงโ น, น้นนิดนงนิดหน่อยคือเขาหายขึ้นมาว่าเออเราเป็นหมอไว้นะแต่ความจริงไม่ใช่เราก็ให้เขารักษาตัวเองแหละแต่บอกวิธีการให้เขานะนัเมื่อเขาทําตามเราแล้วเขาก็ดีขึ้นนะอันนี้คือแพทย์ทางเรื่องเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้จักดูแลตัวเองได้แล้วก็เราเอาประสบการณ์ที่ได้จาก การดูแลตัวเองไปดูแลคนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นแพทย์ปัจจุบัน mm. เขาก็เลี้ยงไข่เราแหละ mm. เขาก็อยากจะไล่ลูกค้าใช่ไหม mm. เขาเลี้ยงไข่เราไว้ให้สมุยาที่เขาจะให้เราหายร้อยเปอร์เขาให้สิบปอร์เซ็นยี่สเปอร์เซ็ไปเรื่อยๆ mm. เขาก็เลี้ยงเราไว้เป็นลูกค้าแล้วเราก็ตกเป็นลูกค้าของหมอ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 เทคโนโลยียุคสมัยที่เต็มไปด้วยสารพิษเรียนรู้สู้สิ่งยากอันไหนที่มันจาต้องเรียนรู้อะไรที่มันยากลองศึกษาดูมันก็จะไม่เกินวิสัยของเรานะแล้วเรื่องที่ยากไปกว่า น, นั้นนะราคาตันหามาหน้าทิฐิถ้าเรื่องง่ายๆเหล่านี้ยังไม่สนใจที่จะทําำระลึกยากอย่างนั้นก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเนาะ อ, อมันยากขนาดไหน เพราะฉะนั้นออกมาข้างบนนึกถึงเอ๊ขนาดกิเลสตัณหาเวทานเราก็ยังจัดการกับมันได้มันไม่ได้มันละเอียดจนไม่มีเห็นตัวมันนะเราจัดการมันได้แล้วเรื่องร่างกายสุขภาพมันเรื่องเห็นเห็นกันเนี่ยทาไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือหลักของความเป็นจริงจะปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วยทําไมร่างกายจะเป็นของวิเศษของบริสุทธิ์สะอาดแล้วปล่อยให้เขาเจ็บป่วยแสดงว่าเราได้ทําตามตัณหาของเราเราถึงเป็นอย่างนั้นเราได้ตอบสนองต่อ อ่าปัญหาของเราเยอะเกินไปมันเลยสานพิษตกค้างเราก็ไม่เรียนรู้ที่จะจัดการแก้ไขตัวเองนี่นะยิ่งไปหาหมอเอออันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นธรรมกับตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขนาดเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมขัน้นปรมาทัยแล้วเนะี่ยยังทําได้เลยแล้วเรื่องร่างกายเป็นเรื่องห ย, ยาบหยาเป็นเรื่องสมุติมันก็เหมือนเปลือกอะเพราะฉะนั้นมีดเรามันจะไปฟันแก่นได้มันก็ต้องฟันเปลือกฟันกระพี้ให้ได้เสก่อน ถ้าฟันกระพี้กันเปลืกยังไม่เข้าแล้วไอ้แก่ไม่จะเข้าได้ไงเออนี่ต้องคานึงถึงความเป็นจริงเนี่ยเราทําอะไรก็ตามคำนึงถึงความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมให้ชัดถ้าหากว่าอางนั้นเราเป็นเรื่องเพือฝันแต่ไม่อยากว่ากันนะันนะเพราะฉะนั้นท้องจัดการเรื่องรูปธรรมนั้อย่างพระกรรมาฐานป่วยนี่เอามาไม่ค่อยเห็นด้วยเลยว่าท่านปฏิบัติถูกหรือเปล่าถ้าท่านปฏิบัติถูกต้องไม่ป่วยเรื้อรังแบบนั้นสิ ใช่ไหมแล้วทํำลายกี่เลสแล้วร่างกายของท่านเป็นอะไรอะอะเท่านต้องดูแลตัวเองสิแต่บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บเราก็ได้รื้มจากมันเราต้องเจ็บเราต้องป่วยอันนั้นคือธรรมชาติของเขาเราต้องอาตายคือธรรมชาติขเขาแต่ว่าในการเจ็บการป่วยการตายเรวเราก็ต้องศึกษาเขาเยวยาเขาได้ก็เยวยาเยวยาเขาไม่ได้ก็สูตรวิสัย ให้แกอยู่กับฉันไม่ได้แกก็ไปดิฉันก็ไปห้องฉาตนแกก็ไปห้องแกอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเราขนาดฉันดูแลแกกันอันนี้แกยังมาทําเป็นเรื่องฉันเลยอย่าอยู่ด้วยกันเลยไล่มันกลับบ้านไปใช่นหะก็คือไปสู่ธาตุเดิมของแกใจดินน้ําลงไฟฉันก็ไปของฉันแกก็ไปของแกในที่สุดแล้วลูกทำก็ไปทางนามทำก็ไปทางใช่ไหมเออมันเรื่องสนุกในชีวิตไม่ใช่เรื่องตรงมานั่งทวกนั่ง เศรานั่งรวมนั่งเป็นโลกภัยไข้เจยมกันไม่วิจักหยุดจา ก, กยนต์มันไม่ได้นะอามาจะไม่ป่วยตายได้สักไปถึงเวลาก็ปิดสวิตไปเลยนะี <c oughs> <c oughs> ่เพราะฉะนั้นเรื่องงูสัจธรรมของพระุทธเจ้านี่สนุกจริงๆท่านศึกษาได้ที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เชิงเช้าเนี่ยเรื่องจิตมันมีอิทธิพลอย่างไรมีผลอย่างไรเนี่ยอาจารย์คองจิตท่านจะ